เข้ามาบ้านค่ะไหวไหมค่ะอย่าเอาไปเข้ามาเกินไปคุณเคยทำโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊อะไรไหมทำดีนักติดใจไหมครับทำดีนักติดใจเลยติดใจไม่ต้องตายอะไรจากใครเลยต้องการติใจที่ติดใจความนึกตา ่การตาปอยวางไม่ยึดติดในส่งบ้าของหนทางและหากว่าเราไองจกาเก็ป่ัมันตัเป็นทุกขัติใจถ้าเราต้องรอคอยเาหวห่วเสดามาเสียาจเวลาหนหาไป เากเรื่องเราเรืกเราไปทดีก็ต่อน like ่องเราก้องหลักฐนไปถ้าเราต็ให้วาจถ้าเราให้ทำไปเยอะเราทำผู้เลยเด็ก็ให้เราได้เห็น้าเราชื่อเยอะก็จาให้เราได้ทีกรั้พ่อเอหนาตการติงาน่ เราต้องการจะเก็บเครื่องาว่าการิตใจตายใจเลาใไม่ได้ตายใจต้องเลื่อยทำดีไม่ไดากาเป็หมข้ากขาสมัติจ้ยอมทำดีรยรังไม่ยอมแบบรู้กายว่าเองได้นรัี่ได้ ด้วยความฝึกในความนื่อวคาาังแต่ััรัเครับยรุั่อแล้วแต่แล้วแนเปรย่างไรก็่ เวาทำบก็อย่าไปถามชื่อตลอดเท่าไหร่เอ่อไม่ต้องไปเอเอ่่ปทำบ้วทำชื่อเราเราอยกเ่ไก็ไเราไม่ได้อยากเพื่ออะไรไดหม่ก็เสียใจนะทะครับเอยหน่อาร ความเราสสารตัวลากใเป็นธื่อตัวลายนานควาาไม่รู้คท้่อวลายตัา ตัวใจตึงเงาใจใจแล้ก็ยึดติดในตัวคนทำอะไรก็อยากจะด้ตัวนี้ตัวตนนี้เสร็จารยื่นทางการย่ทางให้ตัวตนนั้นยาอเลเลยทำุ่งทำอะไรด้วยความเห็นแต่ตัวก็จะน่ำโต ทำเพื่อทำเพื่อผู้อื่นักกัจจรียนนี่เอการัตตอนเข้าที่สัเกอร์ทเข้าที่เพียงใา้มันพอเพียงการ่างกายถ้ามีจใจถี่ทำไบ้ดีถาือว่าอานี้ารทำจิตใจถ้าหลุดพ้นจากเกลียดทั้งตัวแล้วถือว่าอากเหนือเพื่อพระพุทธเจ้า ตัดาอาบน้ำถ hmm. ้ามีความตั้ใจและทานใจทั้งใจท่านก็มีตั้งใจถือท่านที่บริบูรณ์ทางใจทต้องมีรักถึงทางเจริญรุ่งเรืองตลอดท่านจมารถทำประโยนท่านกับโได้เทุกบารทุกทางที่เรื่องดีดีก็ต้องด น้ำได้มาเท่าไหรก็ออกเทาเท่าถ้าจะตได้ก็ต้อง่าตจที่ต้องเติมที่างที่จะต้องใ้น้ำัสก็จะจได้คิดถึงประโยชน์ของตัองให้ปรโยชนอย่างการรบเาติจรองหวัตถุข้าองผิามาเลยเรื่องทเรื่องที่จะทำที่เรื ก็เนว่าทีดีๆก็มคายก็ตอนนี้มการชวยเือก่ยเหลอที่ก็ยงมที่งเอตายท่านผู้อมท่านท่าน่านท่ารท่านท่านท่านท่านท่าวท่านท่านท่านท่างท่ารท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านทานท่านท่าทานท่านท่านท่านท่าท่านท่านท่าท่ท่า่านท่านท่านท่านท่านท่า่านท่านท่านท่านท่นท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่าน่านท่านทานท่านท่อนท่านท่าท่ทา่าท่ทา่าท่ทา่าท่ทา่าท่ทา่าท่ทา่าท่ทา่าท่ทา่าท่ทา่าท่ทา่า ก็เป็นการเ่อามปลอดภัยถ้ากำลังอู่ในใต้ถุนที่แจ่ันไม่ได้เปนการสืบแต่็มีความ่อารรักษาารามันเห็น่าตัวยาตัวยาไม่เสียเลยตัวยาตัวยาแลาวกดถือสิ่งนี้เป็นั้ง การนอนน้เป็นการะ้แล้วก็เต็มทปด้วยความรักษาต้ดูแลรักษาต้งคอยห่วงใยห่งใยช่วยร้องเลงร้อเพลห้ชอเพลห้องเลงให้เมืตัวตร ที่ในปเทยว่าเรียกว่ามีกาโลกไม่ต้องติดเชื้อยาแค่ทำทุกส่วนยาเวลาติดจนเป็นติดตะกี้เลยเวลาทะกี้เลยได้ผลขับเลือดไหลเวยนได้ครับดีๆใจเหมือนเหมือนไรเหมือนเม่าเหมือนสังสันจะดูเข้ากองไฟบางตั แล้วก็จะไปสูดไฟเขาตายาทาที่่งนี้ก็ติดอย่างที่เป็นอยาที่อาเมามการได้รัรูปได้ทำานงานทงานอยู่แ้การของเรา เรื so so ่องพนันก so ็คือแบบเขาตัวเราถือเพืสิทธิ์ให้เขาอันนี้ก็เป็นเพื่อถ้าเราไปเอเอยู่ก็ก็างุเพื่อังก่็างที่เราหย้าไ ถึงได้รู้ถึงได้เห็นว่ามันก็เป็นอนนาที้กรก็มีการเปลี่ยนแปลงว่ามบมันก็ยาวนานแต่ว่าพออยากจะให้มันขึ้นมา้ก็ต้องตัดท้อตัดความก็เรายังต้องทางานอยู่ยต้องตรวจฟ้องรักษาสุขี ถ้าเป็นารสึที่ได้จริงไม่ต้องเ้อานมันจะสึกขงมันไปตลจดไม่รูยังกอะไรถึงสุกตนั้นได้ก็ต้องทำายสึดอะไอ่ที่ทำ้หม้วันองวสึี่วาสุกนี้มันก็จะแตเหลือจะ การสืบต่อคาว่ากว่าีเรื่องบาลังบาลย่องาลังบัสิ้เรื่อของคู่กันวาว่าสาที่ท้จริงต่อความจริที่ท้งเป็นค่ของคู่กันการสืบื้อเกี่ยวข้องจากบลนเรื่องไม่ว่าจะเป็รูปเด่รือรูปธาเรรูปเลมาร โดการบคยวทธภัณฑ์ภที่วกเราตงใเป็นข้อกันนจึงต้องป่อภายนอกป่อภาสยนอกเพื่อเข้าสืบกาเข้าสืเรียกว่ารการโรงกายออกหรือรวิเา เพ่บรรยากาศไปที่น่งที่นี่ไปดูอยากจะไวจังหวัดตะันตกอากจะรับทานไม่งที่นะคุณเรียกว่าคนไทยอยากออกข้างนอกไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นทุกข์หรือไทเป็นยังไงเป็นทุกเมื่ชอบเข้าข้างในกันเพราะลายกดในติดก้อนยางขาดออกมาเร็นลายก้อัก แลงเพื่อกบบิดดข้าขนองมีของีเลยที่แรงมับน้ำหนักดีเชิงตวตัวแข็ถ้าไม่ได้เคยทำทางดบารังีมามากกว่าถุงเทียนลยอตว่าที่รู้บอกว่าการเข้าข้นนี้เป็นสิ่งที่ยากเลยนะแต่ถ้าได้งได้ลองทำดึบารังีมาเลย ได้คยทำเวรให้ชาวเรือได้าศีลได้เคยได้เคยมันทำภาวนย่งจะไม่ได้น่าใจนะแต่ก็พอจะรู้จักของกางภาวนารู้จัของการสติสติพอได้โอกาสได้มาได้ยินได้ฟังก็ทํามสอนที่สอนให้เรียนส้ิขั้นง่ายก็จะเข้าใจอย่าี เพราะสาะนำมาทำปฏิบติด้่อง well, ง่ายดายละไม <c oughs zeit> ่เคยเยจะ่้ลว่าเข้าทอะรั้งน้าตอมีแ่าลูกจุดหูจุดตาจุดากจุดจุดน้จุดก็ไม่ได้ยไม่ได้ขัต่เฉยที่เฉยเท่านั้าคก็จีวรก็เท่าแต่ไม่รู้าะป จะต้องหาแตู่กทุนี่เลี้ยงภาพดี่อนแล้วก็พิกนกอยู่ตอเเพราะว่ามันไม่ให้การอิ่มความสบายสแล้วก็ม่พาสู่เคื่อที่สมายพอหลังจากะั้นก็เลือกแตความอ้างว้างก่าเลือกแางความทุกข์กว ไปเที่ยวมาดูแล้ววันนี้จะเข้าเที่ยวไปรัประทานอาหารร้าที่ร้านนั้นร้านนี้แล้วก็อยาจะออกรับประานให้่ามารรับประทานตามเวลาต่อมาให้สามารถรับประทานเพื่อเป็นยาดูลรักษาต่างๆตรับประทานเพื่อสิเลให้สิเลมีความสุขใจจากการได้ผลัดกัอข้าวของอาหารเพื่อสุขอกสุขใ การราประานเพื่อร่างกายปิดเทียไม่ต้องเป็นอาหารที่ติปากติดคอติ ด, ดจเจลนะขอให้เป็นอาหารที่ทำให้ร่างกายได้กืนได้อยู่ได้ทอดทกกับข้าวเปล่าก็เอาไหละนรกินได้ครับไม่เชื่อลองหมดข้าวดือน้กันนข้าวเปล่าเพิ่นมน้ำตาลก็เแหละนี่คือวิธี ดับทีเลือดื่อต่อเส้นสีเลืออย่าไหลไปทางเสือือจะเนใจคิดถึงคิดกลาคิดถึงนกตะลอยคิดถึงฮันโก็เราอยา่าคิด อ, อย่างนั้นเป็นเรื่องของสีเลไม่ได้เกี่ยวกัร่างกาย ร, ร, ร, ร, ร่างกายไม่รู้ันโลเกอรดก้า่เร่างกายวิ้แต่ว่าเป็นภาพสีสเข้าไปแล้ว สามารถไปดูธาตุสิ่งที่อยู่ในร่างกายได้คือดูเรื่องที่ร่างการดูเรื่องที่ร่างกายข้อตายนี่สำคัญว่าเป็นรูปแบบไหนจะเป็นข้าว่าเพชรน้ำตาลก็ะดาษจะเปอาหาในวันก็ได้ข้อตายนี่ร่างกายแล้วมันก็เป็นเสภาพที่ถ้าเราคลายออกมาก็ไม่อยากเสียที่เลยก็ไม่อยากสี แต่ร่างกายกินได้ข้าใจในคำยัดมือเข้าไปไนดะ้เพรเป็นในร่างกายแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ทีนเหลือไม่จะไม่เอาแล้วแมจะเป็นอาหารที่เสกสนามไหนก็ตามเราได้กเคี่ยวลด้ตุ๋นได้ลอยแล้วได้ตักเข้าไปรัประทานหรือว่าจะไม่เอาแล้วนี่จะเรื่อกของเกลือถ้าเป็นเรื่องของเห็ดของเรื่องของร่างกาย ก็ต้องกินยากสิเราออกมาจากวัฏจักรจะมาต้งเลยแล้วก็เอาตับเข้าไปหมืงนจะเหวี่ยงว่าเลยขนาดที่อยู่ข้างนั้นนี่ก็ใปหยามด้วยอยู่แล้วตัวที่ร่ำร่ายก็คือตีเหลกด้วยเราะงั้นถ้าเรายังติดเรื่องรับกระทหารอยู่ขนสอ้าิดยาทานปฏิปทีปฏิปูข เราต้องดอูอาหารในสภาพที่มันเลาิอยู่ในปา่าเลี้ยงอยู่ในท้องเลี้ยงอยู่ในลำไส้เรื่องอยู่ในโผถต้องไปเจริญหรือว่มันก็เป็นอาหารที่มันเข้ามาทางปากมันไม่ได้มาจากที่ไหนมันเป็นอาหารที่เราาขับรถไปเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเพื่อจะรับประทาน เราพิจารณาเลย่าร like so ัปานจะได้ไมต้องอยอยู่บ้านอยู่รับปรก็รับรนาได้งานลังหลเรารับปรทยายาจะมานายบไหนเราก็รับประทน้นเขียว้าจะเป็นนนอ่้อคือกอะไรเลเราก็ลือกระ้เรารับรเพื่อรับรับ เราไม่ได้รับการเพื่อการสืบสาเกิาใจนี่คือภารสืบระยะางทางยกที่พวกเรายังไกันอยู่ยังสวยานถ้าเราฝันไม่ได้เราก็ไม่มีทางที่จะข้าสู่ภาพสุบทางใ้เราจะภาวนาไมด้ เขาคอารละสะเป็นการสัมผัสอยู่ารละสมถะนี่ก็เป็นรื่อว่างจบเลือดเสรจยู่แล้วจบสมถะในรูปแบบตางๆรูปอื่ก็เป็นการละสมถะคือวางก็สป็นารละคมถะตาในรูปแบบต่างนรูปแบบสังๆเครื่งเหลวนรูปแบบต่างการดึงในรูปแบบต่าง การที่เริ่มมีการรักษาถ้าเราหยุดหยุดถ้าเราต้องมีมาคอบำรุงบำรุงนักษาใจให้คงติดอยู่เราก็จะไม่สามารถปล่อยวางสิ่งนี้ได้เพื่อเท่าสื่อทาานสามารถเปลี่ยนไปเพื่อเท่าสื่อการบริการที่โผทีกโผลต้องตีมัส่วนหนึ่ง ก็คืออารมณ์ารวัตถเมื่อเราไม่มีสงหานี้ใจของเราก็จะไม่มีารเื่อมื่อใจไม่สงบความสุที่น่าพิจารณาที่เหนอกว่าความสุขแรงมมีก็จะไม่ปรากฏขึ้นนใจาแต่ถ้าเราสามารถตสิงท้ายอได้ถึงแม้จะไม่ขาวง ถ้าตัดเป็นระยระๆไปทั้ถลาเจ็ดวันบ้างสวันมากหึงเดือนบ้านสามเดือนบ้างตัดไปเรื่อยๆ้วเอาเวลาท่านลางไปเห็นผลจริ ง, ถ, งถ้าจังหวะไหนเป็นโทษหรือเป็นบุญของเราถึงจังหวะตัวเรารวมเป็นบุญได้เราจะเห็นหลักการที่เราไม่เคยเห็ เราถ้าเราได้เห็นข้างหน้าก็เหมือนกับได้ยิน่างตัวอย่างเราจะรอดเราจะรอย่างจีนนะคือคือไม่ได้ใจสนใจเรื่องไทยมากครับคืาจะกำลังจิตกลังใจจะรอตกศนย์แหรือว่าหรือว่าก็จสังเกตทารณ์สังเกตการ ให้เราเห็นตัวอย่างได้ทั même, so bueno bueno ้งเรื่อทั้งเรือเพื่อรับเดี่ยวก็ก็คูขาดเพราว่าเราเรา้ว่าอะไร็อะไรอะไรเป็นแท้อะไรขอ้เรามีเตชรเรกับพาไปเจอเพิท่าพอนที่เรามีเท่าหรแล้วก็หล่างเ่นเราเอาพจแะเป็นเลแค่น้มเปี่ยนกับเ ท no. no. no. no. okay. ี te ่ตัเขเท่ากับโผม่เงนก็ตามเราจะยที่เพศกรอได้รือเปาแล้วเราก็จะพยายามหาพนี้ให้มากที่สุดย่ตัวการตัวเลขเท่ากับโมงนนที่เราสามารถทำปาแนปนาเราต้อง รู้จแยว่าอะไรเปนพิอะไราอะไรเป็นศึกอะไรเป็นทุกัอย่าขอให้เก่มีหลักอยู่ไม่เลื่อพระพุทธเจ้าเป็นวอย่างูะหนต์ตาวนอยางดราอาจาย์ที่เราเ่าราดีตว่างวาทาทกัย่าะรท่าน้าท่านไหนหลอดท่าน ท่านเคยจะยืนรูถึงรปงรปถึงภา้ท่าคะไล่หาความจิงจากความฝันมากมายเลยท่านมดานโงหนาตะลาริตูกชี้เล่หาควยนเมาอทได้จนครบูนโเียแล้วท่านถึงออกมาเกิดยกเยนเพราะถ้แต่ถ้าทนยังไม่ได้ เปลี่ยนื่อตามที่ท่านต้องการท่านก็ยังเก็บตัวท่านยังต้องทำเพ่งต่อไปเพราะว่ายาของ่านยังไม่หมดความเป็นจิต้จของท่านยงไม่ครบเ่อนเลยอยู่ตรงนี้ครบเพื่อนลยดได้หลายอย่างเนื้หท่านคงจะนามเราค่ะน่าถาได้ไหมถามแบบเมื่อก่อน เมื่อกหาหอนข้างนอเรื่อวามเหงาเรื่องความรักเรองคามธรงมาเรื่องความยุ่ดีเรื่องความสุขเรืองแต่หายหลอนเรื่องความเรืองคามเปนเร่งความอกหักความรัถึงแต่กนี้ยังคงวามเนื่อยชอบคามอยากให้ยึดติดกับความคิดให้การหลงหลงคิดหลงใจชอบคิดซ้ำ ให้พกให้งงําเวนให้รื่วนวายจจากเรื่องราวของตายเรื่อรู้จักจจากขึ้นถ้าได้ค้นจากจิงได้แล้วท้าก็อยากจะมาพาพวกเราให้ได้ค้นจากจิตใหม่ท่านเดียวที่เดียแต่ก็ต้อง เ, เป็นส่วนในส่วนความสนใของพวกเราท่านจะไม่ละล า, าเราไป บาเราไม่ดีกัเเพราะว่ามันยากถ้าคนไดีอยงจะไปยากไปนี่เลยแต่ถ้าคนอยากจะี้ยากไปก็ายามยากเหมกันานั้นคนที่จไปตรงนี้ต้องมีศักดิต้องมีความเชื่อว่าคนทางที่ดีกว่าทางที่ตรวเราเรียนมาหรือตัวลังเดนอยู่และต้องมีศักดระ ความใจความยนยัที่จะมั่งคจะทุกข์ยากจะลบากอย่างรเมื่อถึงเวลาที่จะมังก็ต้องมังคนจะตกแดจะออกอากาศจะหนาหรือจะร้อนอย่างไถ้าไม่สช่พี่ชายก็ขอให้าาอย่างวันนีตกเราก็มาดี เราคงอยร่นครับถึงขั้นวงเนตกวก็เลี้ยงกับลงการข้ามืเพราะว่าถ้ า, างลงจากรมันรัเสียมันก็มันก็ลบากเขาก็ไม่ห็นกจะมาเขาติดอยู่กับความสุขในที่มีเครืปรอากาศมีเบาะนิ่งๆนั่นนนงใส่ใจเขาถึงร้อนไฟด้วยความกังวนด้วยความเฉ่งยยัน เรือความเรื่องลอยความสิ่ต่างๆจากส่วนนั้นเขามงไม่เห็นเาเห็นแต่ส่วนภายในเข้าใจของเขาด้วอยู่กับสิ่งภายนอกลอดเลยนะไม่เห็นความที่่่นความใจเห็นแต่ว่ากาลังได้หรือกาลังเสียสิ่งภายในแต่ได้ก็ดีดีใ เวลาผีเสียตายถ้าีอใจก็ไม่ไม่เห็นโทษของมันเวลาผีตาก็กลับอยากจะหามาห า, าเแต่การหาก็ต้องลำบายกยากหีต้องต่อชื่อตับคำหาอุปสรรคต่างๆแต่ไ่ได้เงินมาั บ, บาทนี่นึงก็ใชไม่เอกแตการใช้เงิงน้เงินร้อยบาที่ง่ายกว่าการหาเงิมื่ น, นบ คือเรื่องของจิตใจคนนีน้ถ้ามีคลอมีความเข้มข้องอยูองงอก่ก็จะพาไปสู่ความทุกข์ตลอดมาถ้ามีธรรมะก็จะิดพาให้ออกจากความทุกข์ให้ให้ห่างจากความทุกข์ไปเรื่อยๆตามลำดัแบโดยหางไปเป็นที่จะไม่มีความทุกข์ สามาเข้าไปหยุดยั้งลังจิตใจได้ได้เลยที่เจอทางขางทางของคือทางธรรมะทางของคือก็ต้อ ง, สงสรอผู้เกิดขต้องสัหา ร, ราบรยกรสถ้าเป็นทางธรรมะก็ต้องสัการสังหา ร, ห า, ร, า, ห า, ร, ราบรย ต้องเจริญทานสีทองทานก็ทาไปให้มากขึ้นไ่อยเรื่อยเมื่อฝันเสร็ไม่ต้องไปหาความหวตถ้าหวนแล้วก็คือว่าพอทำเท่าที่เรามีในส่วนที่เป็นส่วนเกิงเป็นส่วนที่เราไม่ต้องการเมื่อหลับแล้วก็พอแล้วเราได้ความทางแสนเอาน้าก่อน ไม่ต้องการให้คนรักเขายืนยันสนในหรือตอบรับว 3, 4, 5, 5, 5. ่าหย่างนี้อย่างนี้เราต้องทำทาต้องการจะทำเพื่อตอเพื่อภาระที่ยังดื้อทันติดตใจของเราเมื่อหมดยากก็จะหมดปัญหาไปแล้วจะทําให้เรารักษาสีได้ง่ายเพราะเราไม่ต้องไปเลื่นลอยหาเงินหาทเวลารเรายังต้องหาเงินห า, หาทองนี่มันคือรักษาสีได้่าก คนทำงานท้าถ่ายก็อดที่จะพูดไม่ได้ถ้าเสียดายรายได้ที่น่าจะได้ถ้าพูดจถ้าพูดทํามจริงแล้วจะไม่ได้กลัวจะไม่ได้ก็ต้องพูดจแต่ถ้าเราทำยุ่งให้ทางจนหมดเนื้อหมดตัวเอนนบอที่เราไม่ต้องการที่จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้เราก็ไม่ต้องไปกลัวหดรอกนเพราะเราไม่ต้องการอย่าแล้วกพอแล้วต้อมีความพอชื่อ ตอนนี้เราสิ่งที่เราต้อง ก, การก็เวลาเวลาที่ว่างจากการหนเวลาที่เราจะได้มาบางทเวลาที่เราจะได้สูที่เวนหาความาสนที่สงบะการทาใจให้สงบนั้นต้องอาศัความสงบกาายที่เวทจิตทีเวทางายยางอนึ่ท่านการความนายอยู่ ใจก็จะสงบว่าเวลานั่งสมาธิตรงสี่แยกไฟแดงถึงเวลนั่งฝนป่าในเขาในทางแปลกๆกันว่าอยู่นั่งในสมาธิตรงี่ทยกไฟแงดีกว่านังในปาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ละางก็ได้เขาสานนอนได้นั่งไี่การนั่งสมานป่าในเขาในที่ว่างเป็นทางแปลกๆดี พออยในเมือเรามีห้องของเราแล้วเรามีมีการจิตเสียงต่างๆได้ในระดับหนึ่งก็ก็ยังอยู่เพื่อถือว่าขาด้ในรูปต้นหนาจะได้จําป็นจะต้องมาอยู่าอยูเท้ามาลำบาลำบถึงขนาดนนเพราะเรายังไม่มีอินทีที่แก่ก้าวพอที่จะคงกับความเปดี่ยนแปลงลได้เราก็ภาวนาในบ้านมาเป็นขาดั ของให้บ้านเราเป็นที่สําูรณ์หรนทุ ข, ข้ามถ้าบ้านเราอยู่คนเดียวบ้า น, านี้ย่แล้วก็ทั้งบ้านก็ไม่ส่งเสียดังากจเกินไเราสามรารถบันทึในบ้านของราได้ได้บบรับจนเราคิดว่าน้งลินทรีแตกก็ที่ะะทจะไอยู่ตามปาเข า, ท, า, ท, าที่ อุปการะปในในสิ่งต่างๆในเรื่อเื่อความสำเร็จารจะไม่ให้เมือาเป็นสุสรพเราต้องการสถาที่สำเร็ขนาดมัเป็นเหมนกับเข้าห้องสอบไปเรื่องสาที่สนาดนั้นหรืออบางอย่างรอบตัวที่เราจะต้องใช้เป็นเครื่องสอบสิ่งต่ ว่าเราปล่อยวางความยิ ต, ติดในชีวิตติดใจในชีวิตร่างกายของเราได้อม่เราพิจารณาทางแก่ทางเจบทางตายได้แล้วเราก็ต้องเงยตานทดสอบดีว่าเราพิจารณาแล้วเราปล่อยวางได้หรือเปล่าเรารอบมนได้หรือเปล่าพราฉะนั้นอย่างต้องต้องก็ ทำที่ไหนอยู่ที่ไหนพอที่จะทำได้ก็ทำไปแล้วถ้ามีโอกาสที่จะขยับขยายไปที่ดีกว่าก็ค่อยขยับขยายต่อหรือไปตามไปตามเวลาที่เราสามารถที่จะทาได้ข้อสำคัญก็คือต้องมีสถานที่สงบเงียบเป็นสถานที่น่ากลัวสถานที่ ผลรยากขาดแคลนที่บารั้งเราต้องกด บ, บ้างกินอาหารบ้างอย่างนี้ต้องเผยิญกับภัยอันตรายบ้างและอีกอย่างหนึงก็ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดของชาวบ้านการพยายามนม่งให้เรียนนายนตุารเก็พย า, ายามผ่านางไปให้ได้ อย่าลืม อ, อย่มีความสกลีกลวให้ความเดกลัวมันลืมเราไปเราต้องชนะมันให้ได้ถ้าเราไม่ขอยมันไม่ช้าเท่าเราก็ต้องขอยเมื่อจการช่วโลมันจะต้องขายไปหมดนี่คืองานของเรางานเข้าข้าง่างมันเป็นอย่างนี้มันจะต้องเจอสิ่งแปลม่มถึงจะได้ ได้แังๆอันเลิกแรงๆขึ้นมันไม่มาได้อย่างง่ายดายทั้งโลกคือแต่เสียเงินแล้วก็อรอเวลาถ้าเป็นยิงเป็นโชคก็จะได้แต่นี้ไม่ใช่เรื่องของโชควาสนาไม่เสียขอ้อเรื่องนี้อยู่ที่อัตราที่อัปนงนาอยู่ที่ความภาคภูมิอยู่ที่ควยยามอดคน อยู่ที่สถิอยู่ที่สถิอยู่ที่วิริยะอยู่ที่ฐันติตฐานิตกำลังจะเจอปีกขาฐานิ ต, ต, ตเป็นไฟแผดวผ า, าที่หลังได้อย่างดีเยี่ยมการทำจุ ต, ต้องอีตูติเป็ น, ฟปนฟไฟถึงจะได้นิพพานมามเป็นสมบัติถ้าไม่มีความอดทนแล้วก็ ไม่สามารถที่จะควานษาอุปสรรคต่าในหน้นดูผู้ที่ถานไปแล้วเขาไม่ได้ต่างาจากเราเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรามีกายมีใจเหมือนเราต่ตรงที่เขามีวิริยะเราไม่มีเขามีสันติเราไม่ ม, ม, มีหรือมีน้อยกว่าเขา เราก็ต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นมากขึ้นวิริยะก็ขยามเดินจนกลมากขึ้นขยายานั่งประมาณมากขึ้นขยายาองเที่ยวท่างมากข้ก็อดทนไปนั่งแล้วเจ็ก็ก็ทนไปเดินแวเมื่อยก็เดินันหรือเปลี่ยนวิริยะถ้าเมื่อยก็ตั้งนั่งนั่งแล้วทนเจ็บไม่ไหวก็ลุกขึ้นไปยันต่ออย่าขึ้นนอนอย่าพ่งม้วนเก็อพ่ง การสื example, us, ่อออกมาทต่อไปนอนให้น้อยถ้านอนได้เพียงวันละสีทั้งหมก็ถือว่ากาลังดีหรือบางครั้งอาจจะไม่นอนเลยก็ได้หรือใสัตย์ชืหรือสรสาริริยาบเดินยืนกับนั่งไม่นอนถ้าเกิดมันจะหลับจะให้ม่หลับในวิยาแบบในได้ไดในในอันหนึ่สาริยา เรืหลับขณะที่ยืนหรือหลับที่กําลังเดินหรือหลับกําลังนั่งก็ไม่เํานไรแต่ยานอนก็มันจะนอนแล้วจะนอนยามันจะหลับนานถ้าอยู่ในเอเรียแบบทั้งสาม น, นี้มันอาจจะนี่มันอาจจะต้องการพักผู้ปิงมันก็จะหลับของมันไการไม่นานพอมันได้พักพอแล้วมันก็จะจรู้สึกตัวขึ้นมาที่คือรูปแล้วนี่2 อ, องนี่เป็น เป็นอันวิสสงของการผิวในสัตว์เพื่อตัดความติดอยู่กับการหลับนอนบางคนที่พอนอนแล้วไปเลยหชั่วโมงแปดชั่วโมงนอนเหมือนชาตัวต็เลไม่เกิดปรนะโยชน์อะไรที่ของเราไม่ได้ไประโยชน์จากการหลับนอนมากเกินความจำเป็นการหลับนอนพอสมควรพอเพียงกับความต้องการของร่างกายก็พอแล้ว มากกว่านั้นก็เป็นการสีโเวลาขาบทุนเพราะเวลาที่เราจะบำแทงนี้มันจะน้อยไปเรื่อยๆึเหมือนกับน้ําที่มันจะไหลไปเรื่อยๆน้ําที่เราเก็บไว้ในแทงถ้าเราไม่ลองเอาไว้มาใช้ใี่เกิดประโยน์มันก็จะหมดแล้วงานที่เราต้องทําที่เอาน้ํามาทํายะมากรามาทำความสะอาดมันก็จะหมดไปก่อนที่ยังของเราจะเสร็จ ถ้าเราไีบทาเสียนย อ, อนให้นอบัเงเธอให้มากปฏิบัติให้มาผมมกผลมรกผลก็จะเกิดขึ้นมาและดีไม่ดีน้ำยังไม่ทําหมกไปขึ้นเลยได้งานทำทำเสร็จเรียบร้อยบางท่านใช้เวลาไม่สุงเดือนไม่ถึงวันท่านก็เสร็จมา มท่าจะเกิดวันมนท่านจะเกิดเดือนนท่านจะเิดปีท่านจะเกิด จ, จ, จับพวกเกิดจับนี่เป็นพวกที่เรั ก, รกทางศทางรูดเสียงเป็นมัสตะลักีักนอมเ น, นักเกี้วนก็ขอให้รอทิศนา ถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่เลือกที่ทจะเจอก็ต้องเอาสาระเนะี้คือพระพุทธ พ, พรมพสามาเป็นแบบเป็นสมบัติถ้าเราต้องการที่จะเรียนออร่างกเี่ยอไปด้วยก็เอาความโลกความสดคามนเป็นา ร, รนะต่ใส่แต่ะนก็เห็นว่าม่สมควนเวลาขอยึดิในสิญญ่งนี่ญญ